เมือ่อจิตเข้าไปถึงเรื่องของธรรมมันไม่ปล่อยวางละถอนเห็นการพิจรารณานั้นสำคัญยิ่งกว่าการสงบของใจเพราะการสงบของใจมันอยู่เอกเทศอยู่สงบเท่านั้นแต่ถอดถอนออกมายิ่งเจตนาที่เคยมีอยู่มันก็ลบกวนอีกแต่การพิจรารณานี้เมื่อมันรู้มันเห็นมันขอดใจชัดเจน มันส่อยมันวางวิเวณหน้านั้นไม่มีมาลบกวนจิตใจอีกที่ตัดขาดจากสิ่งที่สงสัยในจิตในใจนี่หมายถึงขั้นวิปัสสนามีสมาธิหนุนหลังแต่เมื่อพิจารณาไปบางทีมันก็เลยเถิดเลยแดนเห็นว่าสมาธิไม่เป็นของสำคัญนี่คือเรื่องเลยเถิดจนไม่อยากพักผ่อน ิเจนนอะไรก็เ พ, เพเลิดเพลินรอยไปผลที่สุดเลยเกิดสงสัยเพราะกำลังสมาธิในเชียงพอเมื่อมันเป็นอย่างนั้นท่านจึงให้สงบจิตอีกเหมือนกันกันกบมีดผ้าขวานของเราจิตใชายเมื่อมันหมดคมไม่ได้รับถึงจะตัดฟัน มันก็ไม่ขาดง่ายเมื่อมันไม่มีคมหรือคมมันเสียไปอย่างนั้นเราจะต้องมารับใหม่เมื่อรับแล้วไปตัดก็ไม่เสียคุณแรงของเราเท่าไรมันก็ขาดไปมีสมาสมาธิที่พระพุทธเจ้าฝาไว้กวําทำนองเดียวกันไม่ใช่ว่าถึงขัน้นอิปัสสนาแล้วไม่ต้องเกี่ยวข้องกับสมาธิมันจะต้องมีสมาธิเหมือ น, นหลังอีกเหมือนกัน มันจริงไม่เลยเถิดเลยแดนไปเสื อ, อ, อความรอบควอบของสิตของใจอย่าไปถือว่าสมาธิไม่เป็นเรื่องสำคัญเอาปัญญาส่วนเดียวที่จะน า, นาไปมันก็แก้ไขหลุดพ้นจากที่เหลวคนที่ทำอย่างนั้นได้ตัดส้มักผลมามีไหมเราเคยทำมาได้ผลอย่างไรเราก็ควรจะสอบสื ที่นิพยนาจิตใจท้องตัวไม่อย่างนั้นก็จะดูมิ่นมินพาคาสอนของพระพุทธเจ้าหรือว่าสมาธิในเป็นเรื่องสำคัญความจริงมันสำคัญเยี่งขั้นสมาธิก็เธอถ า, ากเส้นหักเห็นในจิตในใจชัดเจนก็เหนือแล้วเหนือความสุขของโลกเพราะความสงบของจิตความลงรวมของจิตความปราดเปร่ อาสวะจิเลสในเมื่อมันเข้าพักเข้าสงบจริงจังนั้นมันขาดไม่ได้ยึดในถาดในขันมันว่างมันเบามันปล่อยมันวางไปทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเราไม่เคยเห็นเคยเป็นมา ก, ก่อนผูกระทาบำเพ็ญจะต้องเห็นต้องรู้ว่าอันนี้ถึงคนอื่นจะไม่นำ ใบประากาศนียาบัตรมาให้หรือไม่มีใครรับรองเราก็รับรองเราเองเพราะเราเห็นเราเป็นมันสุขมันสบายอย่างนั้นไม่มีอะไรที่จะสุขจะสบายจะสงบยิ่งกว่าจิตของเราที่เห็นที่เป็นนั้นมันทราบจากการกระทาของตัวอยากเห็นอยากเป็นอยากยีแบบนั้นตลอดระยะเวลาถ้าจิตไม่ถอดไม่ถอ น, ถ อ, นออกมาเมื่ อ, อไร ความสุขความสบายไม่ได้คาดหมายว่าช้านานขนาดไหนเพราะใจมันไม่ได้เกี่ยวขอ้องเรื่องนอกมันอยู่เอกเทศของมันมันจึงไม่มีการมีเวลาไม่กำหนดว่าเรานั่งมานานแล้วพ้อสมาธิมานานแล้วควรถอดควรถอนควรหยุดควรย่างถ้าหาจิตรวมถึงถีจริงจังทึ้งเหล่านี้จะไม่มี เกิดขึ้นในจิตในใจของตนฉะนั้นท่านที่เข้านิรโทษสมาบัติหมดเวทนาสัญญานั้นท่านยังอยู่ได้ตั้งเจ็ดวันเจ็ดคืนไม่มีการทายนักทายเบาไม่มีการพักผ่อนหลับนอนแต่ถึงอยู่ขนาดนั้นความจริงของท่านก็เหมือนแทบตาเดียวเพราะไม่เกี่ยวข้องกับการเวลาที่ผ่านไป ใจไม่ถอดไม่ถอนไม่ยึดไม่ถือไม่มั่นไม่หมายอะไรมันจึงอยู่ได้พวกเราธรรมดาขี่ลมขี่จิตใจทําไม่อย่างนั้นนานนิดหน่อยก็รู้สึกว่าอ่อนเพลียปวดเจ็บที่นั้นที่นี้นีพูดจิตยังเกาะเกี่ยวยึดถือในเรื่องของขาดของขันไม่สงบถึงที่ของมันถ้าสงบถึงที่ไม่เป็นอย่างนั้น มันจล่อยวางไปหมดทุกสิ่งทุกอันเียงจะทราบความเป็นของมันว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จากสติจากปัญญาของตัวในใ่คนอื่นมาบอกให้มันเป็นมันเห็นมันรู้ในการกระทำนี่คือสมาธิผู้ที่เป็นที่เห็นที่รู้จึงมีความสุขความสบาย จิตใจรวมรวมถึงที่เยือกเย็นเห็นอาจเห็นทำสงบไปสถานที่ใดเห็นใครมันก็สงบไปหมดเยือกเย็นไปหมดเข้าใจว่าคนอื่นสัตว์อื่นหรือเรื่องอื่นจะเย็นเหมือนเราหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเพราะใจมันเย็นคนอื่นเห็นบางผู้บางคนก็ อาจจะสงสัยเอะทําไมคนคนนี้จินเป็นอย่างนี้ไม่ใช่บ้าบอไปแล้วหรือเขาอาจจะสงสัยไปเพราะจิตใจของท่านไม่เคยเห็นเคยเป็นมา ก, ก่อนไปเห็นการละการถอนการปล่อยการวางของอารมณ์ชัญญยามันแปลกธรรมดามันอัศจรรย์มันเย็นมันสบายมันสุขยิ่งกว่า สิ่งทั่วไปที่เคยผ่านมาเหตุนั้นถอดถอนออกมาจึงไม่หลงไม่ลืมในสิ่งนั้นั้นจิตใจของท่านที่เห็นที่เป็นอย่างนั้นจึงยิแย้แย้มแี่มใสเพราะท่านเคยเห็นเคยเป็นมาก่อนมาเห็นมาเป็นขึ้นมันตื่นเต้นเหมือนกันกับคนจนแสนจนแล้วไปได้สมบัติมาหาศาลมันก็ตื่นเต้น แต่คนที่เคยมีสมบัติ อ, อยู่แล้วในเป็นอย่างนั้นคือว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นธรรมดาเราเคยเห็นเคยเป็นแล้วไม่ไตื่นเต้นหรือพูด ง, ง่ายๆเรื่องของโลกคนที่ยังไม่เคยเห็นบ้านใหญ่เมืองโตพอเข้าไปก็อยากดูอยากเห็ น, น, นสิ่งนั้นสิ่งนี้ตืน่นเต้นในบ้านช่องเก่าขอ ง, ของต่างๆเพราะไม่เคยเห็น ตื่นเต้นเชื้ก่อนต่เมื่ออยู่นานๆเขาเขาก็ทำธรรมดาคนที่อยู่ในบ้านในเมืองใหญ่ๆไม่เคยไปเที่ยวป่าเที่ยวเขาก็ทํานองเดียวกันพอไปเห็นเขาเห็นต้นไม้ก็ชมว่ามันสวยอย่างนั้นมันงามอย่างนี้เห็นก้อนหินหนาผาก็ชมเพราะเขาไม่เคยเห็นตืนเต้นอยากดูแต่คนที่อยู่ในป่าเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรหนักหนามีจิตใจของท่านที่บําเพ็ญภาวนาก็ทํานองเดียวกัน ขั้นใดที่เรายังไม่เคยเห็นเคยเป็นในจิตในใจเราต้องตื่นเต้นเนชียก่อนต่อเมื่อเคยเห็นเคยเป็นอยู่แล้วมันก็ค่อยคายไปหายไปความตื่นเต้นของใจแต่ก็มีความสงบมีความสุขเป็นพื้นฐานอยากจะที่นี้พิจารณาอะไรเมือ่อจิตใจมีพื้นฐานของความสงบ ก, ก็พิจารณาได้ ที่เจนาแทนที่จะหลงไหล <c oughs> ยึดถือไม่เป็นอย่างนั้นนี่จะเห็นแล้วเพอใจแล้วละถอนปล่อยวางในสิ่งเหล่านั้นเลื่อยไปมีคือการภาวนาเพื่อละพบชาติรักเลียตัณหาในใจไม่ใช่ว่าเห็นอะไรแล้วยึดสิ่งนั้นมันก็ยึดเ่อก่อน ตอนที่เห็นใหม่ๆเพราะมันยังไม่หายสงสัยท่งใจพาจิตใจเห็นเป็นอย่างนั้นมันก็เกาะเกาอาศัยเกายึดเกาะถือว่ามันดีมันดิเศษเมื่อเคยเห็นเคยเป็นอย่างนั้นแต่บางการบางเวลามันเสื่อมไปแล้วก็เกิดเสียอกเสียใจเมื่อเคยเห็นใคยเป็นอยู่เรื่อยๆความเจริญความเสื่อมท่วงใจเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันมีการเกิดได้มันก็มีการดับได้ เราจะเสียใจอยากจะให้มันกลับมามันก็ไม่กลับมาอีกเพราะเรื่องอ น, นั้นเส้นอดีตที่ผ่านมาแล้วเราจะดีใจกต่สิ่งเหล่านั้นมันก็ไม่กลับมาอีกหน้าที่ของเรามีปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติเรื่อยไปให้เห็นให้รู้ตามเป็นจริงของมันพิ่เจรนาอยู่อย่างนั้นจนเมื่ อ, อไรความเห็นผีด เหนือโลกเกิดขึ้นว่าสิ่งนี้ไม่มีอะไรที่จะไปพัวพันไม่มีอะไรที่จะเสื่อมจเจริญอีกเป็นความบริสุทธิ์เป็นธรรมเอกเป็นธรรมที่เคยไม่เคยพบเห็นไม่ใส่ความเสื่อมความเจริญของจิตของใจที่เคยเห็นเคยเป็นมาก่อนและทราบอยู่ตัวของตัวเอง ว่าทำอันนี้ไม่มีสมมุติไม่มีเสือ่อมไม่มีเจริญไม่มีไปไม่มีมาไม่มีอยู่เหนือนั่นคืออะไรท่านรู้ท่านเข้าใจคือไม่มีสมมติในธรรมอันนั้นจะว่าบริสุทธิ์นี้จะว่านิพพานนี่มันเป็นสมมติพูดแล้วมันก็ไม่ถึงเพราะสิ่งนั้น มันเป็นอยู่กับผู้กระทำบำเท็ยนผู้เห็นผู้เขาจะพูดเท่าไรมันก็ไม่เข้าไปถึงความบริสุทธิ์อันนั้นแต่ก็มาสมมติกันว่านิโรธวิลาคะวานิพพานนิโรทะต่างๆ น, า น, า น, านั่นนะแต่กับความเป็นจริงกับสิ่งที่เหนือโลกนั่นแหละที่ถันมาสมมติแต่มันไม่จิดกับโลกเหมือน พวกเราท่านที่เคยเห็นเคยเป็นกันผู้ปฏิบัติทราบเข้าใจในสิ่งเหล่านั้นตามเป็นจริงท่านจริงไม่มีการที้จะละจะบำเพ็ญอีกเพราะทราบดีว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่มีการเสื่อมการจเจริญไม่มีการไปการมาการอยู่มันเหนือทุกสิ่งทุกอย่างแล้วบริสุทธิ์นที่แล้ว ไม่มีอะไรที่จะเพิ่มเติมหรือที่จะขนออกมันพอเหมาะพอดีอยู่อย่างนั้นถ้าพูดถึงพอเหมาะพอดีนี่อย่างสมมุติความบริสุทธินั้นจะเห็นการเป็นกันเฉพาะผู้ประพปฏิบัติจะเข้าใจได้เฉพาะผู้ที่เห็นที่เป็นในใจส่วนคนอื่นจะคาดคิดแ่ามันคงเป็นอย่างนั้นมันเป็นเป็นอย่างนี้มันไม่มีวันที่จะ เข้าถึงความบริสุทธิ์นั้นนอกจากมันเป็นมันเห็นในตัวของตัวเท่านั้นจึงจะทราบได้ว่ า, ม, ม, ามีมีอะไรอีกในการที่เจะจะเฉลิเพลินมีอะไรอีกที่จะไปก็พบก่ชาติไม่มีอะไรที่จะเสียหายใน ม, มีอะไรที่ยังเหลืออยู่ นิพพานังปรมังศุนย์อย่างคือศูนย์เตหมดถูกถึงศูนย์เรื่องความจิดข้องเส้ามองเรื่องความยึดถือไม่ว่าทุกไม่ว่าทุกละเต็หมดเหนือจิงเหล่านี้ผู้ปฏิบัติจะเห็นจะเป็นด้วยตัวเองนี่คือที่สุดของการต่อเพื่อปฏิบัติเมื่อเห็นเมื่อเป็นอย่างนั้นมันก็หมด ปัญหาว่าจะบำเพ็ญอย่างไรต่อไปบำเพ็ญไปจะได้อะไรอีกปัญหาเหล่านี้ไม่มีสำหรับจิตของท่านอยู่ไปหมื่นปีแสนปีมันจะเป็นอย่างไรมันก็ไม่มีอะไรที่จะสงสัยว่ามันจะได้จะเห็นจะดีจะเด่นกว่านั้นตายไปวันนี้มันจะเสียอะไรก็ไม่มีอะไรอีกเหมือนกัน ที่จะ ส, ส่องใสและสิ่งเหล่านั้นมันจะเสียหายไปมันยังไม่เพียงพอมันยังไม่สมบูรณ์ยังอยากจะอยู่แต่ทาบาเพ็ญให้มันสมบูรณ์กว่านี้มันไม่มีปัญหาสำหรับจิตของท่านถูกบริสุทธิ์ฉะนั้นพวกเราที่ประพฤติปฏิบัติก็มุ่งหวังทมบริสุทธิ์อย่างนั้นจึงพากันลงมือประพฤติปฏิบัติ เริ่มจากสมาธิคือความสงบสงัดของใจอะไรมันมาลามบกวนจิตใจเราต้องตรวจตาที่เจริญนาอย่าให้มันเข้ามาแสกแสงสบิตปัญญาของเราจะกําหนดอะไรเพื่อความสงบกําหนดอันนั้นอย่าไปเข้าใจว่าอันอื่นมันจะดีกว่านี้ถามันเอาอันนี้ ใจนิดๆหน่อยๆก็สงสัยว่าเอาอันนั้นคงจะดีโดดไปนูโดดไปนี้เหมือนลิงเด็กก็ไปถูกจิงไม้ผุเขา้าถวาลงมันเป็นแบบนั้นต้องตั้งหน้าทํากันจริงจังถ้าหากไม่จริงในสิ่งที่เราจงใจอันนี้อันใหม่นั้นก็จะเป็นจริงอีกต้องกำหนดเอาจริงเอาจังอย่างนั้นจะกําหนดลม เขาออกก็เหมือนกันจนลมมันหมดไปมันจะตายก็ให้มันรู้บางผู้บางคนพอลมละเอียดหมดมันก็สงสัยมันไม่ตายไปหรือมันอาจจะคิดขึ้นบางทางบางทาวที่เราไม่เคยเห็นพอลมหายใจมนนีจริงจริงถ้ายจิตมันสงบมันละเอียดลมมันออกไปได้ทุกขุมขน จิตมันยาบเท่าไรก่อนยิ่งหายใจแรงเท่าเท่านั้นนี่คือการฝึกเรื่องของลมากาหนดเรื่องพุทโธก็เหมือนกันพุทโธจะอยู่ในจิตจิตจะอยู่ในพุทโธจนหายเงียบไประลึกนึกไม่ได้นั่นคือความสงบรงวมรวมขอจิตจริงจังมันไม่เกี่ยวข้องกับสัญญาอารมณ์ข้างนอกนี่คือเรื่องของสมาธิ เมือม่อมีสมาธิเป็นพื้นฐานเราจะคิดอ่านที่นี้พิจรารณาเพื่อแจกไขตัดสัญญาอารมณ์มันก็พอคิดได้โดยส่วนใหญ่เราลุ่มหลงสัญญาอารมณ์ของตัวก็ควรให้เกิดทุกข์แก่ตัวของตัวจึ่งต่างๆเหล่านั้นเขาไม่ยินดีไม่ยินร้ายเขาเป็นอยู่ตามธรรมชาติของเขาแต่เราหลง อยากแะ่ให้เขาเป็นอย่างนะั้นอยากจะให้เขาเป็นอย่างนี้ในใจตามใจก็เลยเกิดทุกข์เบื่องมันมีแค่นี้โลกมนุษย์จิตใจของมนุษย์มันหลงสัญญาอารมณ์ของตัวเองมันสุขมันทุกข์เพราะสัญญาอารมณ์ของตัวเองโดยส่วนใหญ่มันติดในเบื่องอามิ t h มีลามิสมันไม่เคยไปสบพบเห็นถ้ามัน เห็นนิลามิตรคือจิตไม่ได้เกี่ยวเกาะพัวพันกับเรื่องนอกแล้วส ง, งบอยู่เอกเทศของมันเพียงแค่นั้นมันก็มีภายานแบบความสุขที่แน่นอนจริงจังไม่ใช่อยู่ในวัตถุเมื่อมันเห็นมันเป็นอย่างนั้นการแสวงหาด้านวัตถุมันก็ค่อยส ง, งบไปหมดไปพอใจมันเห็นความสุข เหนือกว่าเรื่องวัตถุมีอยู่ในตัวของตัวการปฏิบัติจะต้องเห็นต้องเป็นในจิตในใจในเห็นนั้นความเชื่อความเรลื่อมใสความผาาความเพียนมันก็ย่อย่อนเพราะมันมเป็นไม่เห็นไม่รู้ในตัวแต่มันเห็นมันเป็นมันรู้ในตัวแล้วใครจะหักห้ามขนาดไหนมันก็ไม่เชื่อฟังพราะมันเห็นมันเป็น แต่นั้นผู้อยากมีความสุขอยากมีความสบายอยากพ้นจากทุกข์ก็พึงต่างหน้าต่างต า, งตาปฏิบัติรักษาอย่าไปคิดว่าชาติหน้าเราจรึงจะทําชาตินี้ไม่มีบุญบารามีเพียงพอชาติหน้าจะไปเอาบารามีมาจากที่ไหนชาตินี้ยังไม่มีบารมีแล้วมันมักอยากคิดจะกลงไปอย่างนั้นโดยส่วนใหญ่ ควรคิดวันนี้ไม่เอาจริงเอาจังวันหน้าถึงเอาเถอะเอาไหม่อถึงวันหน้ามามันก่อนทะเลถลายอย่างเดิมนี่คือความไม่จริงใจมันเป็นอย่างนั้นกิเลสมันฉลาดไม่อย่างนั้นเราก็ไม่มีพพชาติมายืดยาวถ้าเราเอาชนะมันได้เราอย่าไปเชื่อกิเลสให้เชื่อธรรมะตั้งหน้าตั้งตาทีนี้พี่จะอะนะทําความ สงบห้บองใจให้ได้ให้เห็นอย่าไปสงสัยว่าธรรมะมรรคผลไม่มีเพราะทมเป็นอากาลิโกไม่มีการไม่มีเวลาที่เหลือตัณหายังมีอยู่เรื่องของมรรคผลซึ่ไม่น่าจะสงสัยควรต่างจิตต่างใจประพฤติปฏิบัติเก่กความสุขความเจริญ ของตัวคนอื่นช่วยเหลือเกื้อหนุนไม่ได้เหมือน ก, นกันกับทานอาหารคนอื่นก็ทานแทนเราไม่ได้พระพุทธเจ้าปรบอกแล้วอ่ะเป็นแต่ผู้บอกทางให้เท่านั้นการปฏิบัติเป็นหน้าที่ของพวกเธอจะต้องทําเองไม่ใช่เราแต่หาคตจะทําให้พระพุทธองค์ยังทรงพระสนอยู่พระองค์ก็บ่งบอกอย่างนั้น พรองค์เรืองรับไปแล้วก็ไปหาผามถุกทุกของมนุษย์ไปขอวัดปฏิบัติที่ท่านมอบให้สวย่แก้ไขยี่เลียดตันหาก็ยังมีอยู่เราผูรักสงบรักสุขเราก็ต้องต่างหน้าต่างตางภาวนาประพฤติปฏิบัติไป ต, ต, ตามธรรมะที่ท่านสอนเอาไว้ ความสุขความสงบของใจนั้นไม่ใช่ใคนอื่นจะหามาให้เตาผู้เ่ื่อปฏิบัติจะพบจะเห็นด้วยตัวของตัวเองเหนือยังไม่พบไม่เห็นก็อยากไปนอนใจว่าเราอาภัพอับอาวาสนาเราทำยังไม่ถึงถ้าเราทำถึงแล้วเราจะเห็นเมือ่อคิดอย่างนั้น ความเพียนของจิต้องใจก็จะไม่ข้อถอยจะตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติ ร, รักษาเรื่อยไปจนเป็นจนเห็นจนรู้ในจิตในใจของตัวโลกนี้เขาจะไม่เชื่อไม่เลื่อมใสว่าผูปฏิบัติมีอาจมีทำอย่างไรนั้นก็เป็นเรื่องของเขาเรารู้เราเราข้าใจโดยการเห็นการเห็นของเราแล้ว ก็ไ ม, มีอะไรที่จะเสียใจไปตามลมปากของโลกนี่เป็นพยานหลักฐานความมั่นคงของจิตของใจความแนวแน่ของจิตของใจเป็นอย่างไรเราทราบจากตัวของเราเองลงมือประพฤติปฏิบัติเตื่อยไปแจกไขทับไล่เรื่องความชฉ่วเสียคลองใจตกไปมากน้อยเท่าไรเราก็ทราบจนหมด ถึงที่สุดลีมดนิพพานอยู่สถานที่ใดไม่อยากไปนิพพานอยากไปคือยังไม่ถึงอยากรู้ก็คือยังไม่เห็นถ้าเห็นถ้าถึงแล้วไม่อยากรู้ไม่อยากไปอยู่ที่ไหนนิพพานมันก็ทรามันจึงไม่อยากอยากก็คือเรื่องตัณหาอย่างไรยัยงถอน ไม่หมดมันจึงอยากมีการกระทําบําเพ็ญเมื่อไปถึงท่านจริงจังแล้วมันเป็นอย่างนั้นโดยการทุกคนขอเสนอ <c oughs> ทุกคนที่มีหน้าที่ปฏิบัติจงนำไปพินิพิจนาฝึกหัดปฏิบัติกายวายจาใจท้องตัวไปในทางศีลสมาธิปัญญาเพื่อ แก่ไขขับไล่กิเลสตัณหาผลที่สุดทุกคนที่ต่งางนาต่างจาปฏิบัติก็จะเห็นจะเป็นจะรู้ด้วยตนเองไม่มีทางสงสัยฉังนั้นขอทุกคนจงตั้งใจปฏิบัติการอธิบายธรรมเห็นว่าพอสมควรในเวลาข อ, อยุติเพียงแคนี้เด้บง